ปฏิบัตินานๆนนก็สลับปับเปลี่ยนการเดินการนั่งแบบนี้ถ้าเดียวนานเกินไปเดินถ้าเดียวจวังหวะเดียวนานพ่ออะไรพ่อมันจะเพลินเพราะถ้ามันเพลินแล้วนี่มันก็นําไปสู่นิวรณ์ง่วงบ้างเบื่อบ้างเซ็งบ้างโปวดเมื่อยบ้างฟุ้งซ่านบ้างลังเลบ้างซึ่งมันไม่มีประโยชน์<ม>แต่พอเราสลับกรับเปลี่ยนวิธีการยืนการเดินการนั่ง มันก็ตัดความเปลินไปจนกว่ามันจะตัวตื่นรู้มันจะเข้มแข็งเมื่อตื่นรู้เข้มแข็งแล้วเราจะเดินนานเท่าไหร่ก็ไม่ไม่เปลินจะนั่งนานเท่าไหร่ก็ไม่เพลินแต่ในช่วงแรกเนี่ยมันยังตัวตื่นรู้หรือตัวสมาธินี่ยังไม่เข้มแข็งพอเดินท่าเดียวหนึ่งก็สักพัก ก, ก็เพลินนั่งท่าเดียวหนึ่งก็เปลิน เราต้องสำรวจว่าอะไรเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติอะไรเป็นความก้าวหน้าของการปฏิบัติตัวอุปสรรคที่ที่เรามักจะไม่รู้เท่าทันคือความเติอนความชอบใจความติดใจการได้อารมณ์ได้ปีติอะไรพวกนี้เป็นอุปสรรคทั้งนั้นแต่เราต้องเอาการตื่นรู้ความรู้ การเคื่อนการไหวกันไปการมาให้รู้ชัด ร, รูร้รชาติในร่างกายเนี่ยอย่างที่เราสวดมันมีแต่ความเจ็บป่วยความไม่สบายความปวดความเมือ่อยความล้าความขัดความยอบเจ็บขันอะไรอยู่เนี่ยตลอดเพราะร่างกายเนี่ยมันมีโทษนั้นเราจะไปนั่งแค่นั่งเตืินนั่งกดนั่งทับมัน มันไม่ได้เนะี่ยมันไม่จิตมันไม่ตื่นจิตมันหลับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยการเดินนานมันก็ไม่มีปัญหานะแต่มหาตรงที่มันเพลนแล้วมัไม่แก้เดินไปข้างหน้ากับท่าเดียวทั้งวันทำไมไม่กลับหลังมั่งเดินไปข้างซ้ายก็ข้างซ้ายทั้งวันไม่เดินไปข้างขวาบาั่ง เดินก้าวหน้าถอยหลังก็ทั้งวันทำไมไม่เดินออกข้างมันอย่างเงี้ยซึ่งมันมีทางแก้ความเพลินเนี้มากมายเพราะถ้าตัดความเพินไม่ได้ละความเพินเือะละนันทีไม่ได้มันก็จะปฏิบัติวนอยู่แต่นี่วอนอ่ะทั้งปีทั้งเดือนมันไม่ไปไหนใจของเราก็ไม่ได้ตื่นโทลงกว่าเดิมนะเพราะเะนันต้องคอยปรับ เพราะร่างกายมันเปลี่ยนแปลงตลอเวลาแต่เราไม่ยอมเปลี่ยนให้มันไม่ได้แต่การเปลี่ยนต่ลตักฟังมีมีข้อแม้ว่าจะเปลี่ยนยังไงให้รู้สึกตัวชัดๆไม่ใช่เปลี่ยนไปเลยโดยที่ไม่รู้สึกตัวเพราะนั้นเวลาเราปฏิบัติเราต้องสำรวจว่าความเลินกับฟันตื่นรู้เนี่ยมันคุณละตัว การตื่นรู้นี่มันสามารถที่จะเห็นอะไรได้จ็ชัดตั้งแต่หัวจุดเท้าเนี่ยมันมีโรคทั้งหมดอะโรคหัวโรคหูโรคตาโรคจมูกโรคที่นโรคกะโรคใจโรคสารพัดแล้วก็พิจารณาร่างกายนี่เห็นว่าเป็นโคษมันมีแต่โรคมีแต่ความไม่สบายพิจารณาอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าเห็นรูปเห็นนามแล้วก็ต้องพิจารณารูปนามว่ามันเป็นอย่างไร แต่เมื่อก่อนเราไม่เห็นรูปพระเห็นน้ำ ม, มีแต่จิตของเรามันจะไปออกข้างนอกไปหานามรูปข้างนอกแต่รูปนามที่มันเก็บมันป่วยมันเย็นร้อนอ่อนแข็งเข็งตึงมันสบายไม่สบายอยู่เราก็ไม่ยอมที่เจรณาไม่ยอมเข้าดูเราจะเดินเอาแต่อารมณ์เข้มาเที่ยวนี้ได้อารมณ์โข้มาเที่ยวนี้ไม่ได้อารมณ์ซื่อคมจริงไม่ต้องเอาอารมณ์ดีไม่ดีไม่ต้องเอาเอาแต่วันมารู้ตื่นรู้ชัด รู้โปร่งรู้เบารู้สบายไม่สบายให้ชัดชดเพื่ออะไรเพื่อจะได้เห็นความจริงของร่างกายมันมันไม่มีอะไรมีแต่ทุกข์กับทุกข์กันแหละทุกข์ลงมันจึงเปลี่ยนมีนเสีดิ้นมีเครื่องมันจึงไหวทีนี้เราก็าเอาตัวนั่นแหละเอาตัวทุกตัวเปลี่ยนตัวเคลื่อนตัวไหวนั้นเป็นตัวสติสัมปชัญญะตัวที่จะเปลี่ยน ถ้าเราเพลินนั่นนั่งเราก็นั่งอย่างนี้พอนั่งอย่างนี้ไปซักพักหนึ่งมันปวดพอนั่งอย่างนี้ถ้าเราติดสมถะเราก็นั่งท่าเดิม น, นั่งใยน้งมาหลับตาหาหวอดหวอดถึงนั่นแหละเรา เ, เพลินแล้วแต่เราก็ไม่รู้ว่าสัญญาณของความเพลินมีตั้งหลายอย่างเราก็ไปติดซะดึกพอได้นั่งหลับตาแล้วสบายมีแรงใช่าได้นั่งลืมตา ร, าารงงู้สึก ม, มันไม่มีแรงเลยพอเราติด กิน ค, ความเพลินจนเราเอาไม่ออกอ่ะมันเป็นยาเสพติดอันหนึ่ง น, น, นั่งห า, หารอบแล้วรอบอีกก็ให้เปลี่ยนทำเหมือนเดิมอทา่านจังหวะเหมือนเดิมเตียงโยกงูก็เหมือนเดิมมันก็บอกสัญญาณมาตั้งนานแล้วนะมันเพลินมันถึง อ, ออกอาการหาวออกการสงบออ ก, กาอาการ อ, อร่าเคลิ้มแต่เราก็ทำอยู่นั่นแหละมันถึงไม่เปลี่ยนแต่งไม่ก้าวหน้าแต่ว่าอาตมาไม่ใช่อย่างนั้นตั้งแต่แม่แตเลยมา ชอบเปลี่ยนแปลงชอบพลิกแปลงชอบคน้นชอบศึกษาในสิ่งที่มันมีอยู่เนี่ยมันเป็นสิทธิของเราอ่ะอะถ้าอย่างนั้นเราจะออกจากสมถะแบบเดิมๆไม่ได้เพราะวิปัสนาท่านใช้ว่าวิปัสนาก็เห็นให้ชัดๆตามตัวของมันนะวิปัสนาแต่สมถะแปลว่าเพ่งแปลว่าเล็งแปลว่ากดแปลว่าทับแปลว่าเพลินแปลว่าแช่แปลว่าจมสมถะแต่เราก็ เอาไปทํามันก็เลยเราก็ทำตั้งนานทำไมันไม่เปลี่ยนแปลงทําแล้วมันยังงุดหิบเหมือ น, นเดิ ม, มยังที่โกรธที่โกรธที่เกลียดที่เกลียด ท, ท, ที่ขุ่นเหมือนเดิมเราก็ยังทําทอะไรก็ยังเผลอยังหลงเหมือนเดิมอะไรทำนองมันไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นการปฏิบัติต้องตื่นรู้รวิะเจาทัานเรียกเสือพุโทโธ ตืนรู้ไม่ใช่หลับไหลไม่ใช่ลืมหลงไม่ใช่เพิดเพินไม่ใช่สงบเพราะนั้นเองเอามาทำมายี่สิบสามสิบปีทำไม่ไม่คือไม่ได้แค่อยู่ที่เดิมอะไรที่มันมันทำท่าจะเพินมันทำท่าสบายก็เปลี่ยนอะไรมันจะถ้าไม่สบายเกินไปก็ต้องเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอย่างอย่างรู้เนื้อรู้ตัวมาช เ, เปลี่ยนไป ทีนะก็ถือ mm hmm. เอาประโยชน์จากการที่มันเปลี่ยนนั่นแหละนเราเปลี่ยนรู้จังหวะเปลี่ยนเพราะว่าในหลักข่าววิปัสนาเนี่ยท่านเห็นใจรักใช่ไหมเห็นใจรักไม่ใช่ไปพิจารณาอนิจจังทุกขังหน้าตานะเห็นใจรักคือเห็นความเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวในร่างกายเป็นอนิจจังแล้วการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวมันเฉื่อยมันก็ไม่สบายน่ะ ในตัวของมันอนะไม่สบายหรอกเดี๋ยวตึงเดี๋ยวเครียดเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยมันเป็นทุกขังแล้วทุกต้องจำ ร, รู้ตั้งแต่ไหนพวกแดงหัวจุดเท้าไม่สบายปรับตรงนั้นปรับตรงนี้ก็เอาตัวทุกนั่นแหละเป็นที่จ้างของการเฝ้าดูอนัตตาควบคุมอยู่ที่เดิมไม่ได้บังคับบรรจาให้เป็นไปอย่างใจไม่ได้ มันต้องเป็นไปอย่างมันเป็นก็เริ่มเป็นอนัตตาแต่อัตาตารามาแปลว่าไม่ใช่ตัวต น, นก็ถูกในแง่ของสมถะนะแต่ในแง่วิปัสสนาอนัตตาว่าควคุมไม่ได้บังคับไม่ได้ให้เป็นไปอย่างใจไม่ได้แต่ ท, ทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาแต่เราเอาในแง่ของวิปัสสนาเพราะนั้นเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วนี่มันจะ ทำแล้วมันจะสบายขึ้นเพราะว่าทุกต้องกําหนด ร, รู้รู้เพื่อจะละเหตุที่สมุทัยพอละเหตุมันไม่สบายก็เอาความไม่สบายออกไปซะนี่มันปวดเอาความปวดออกไปซะมันง่วงเอาความง่วงเ อ, อกไปซะมันเพลิงจะเอาความเพลิงออกไปสั้นละสิ่งที่เป็นอกุศลละสิ่งที่มันไม่สบายทีนี้วิธีละจริงวิธีละต้องมีวิธีนะ สมมติว่าป ว, าปวดขาจะจะขาไปเลยเนี่เรียกว่าไม่มีวิธีปวดขาก็ต้องรู้ว่าเราจะเหยียดยังไงให้รู้สึกตัววิธีการที่จะละนั้นถ้าเรียกว่ามัสมัสมันมีทังแปดวิธีใช่ไหมแปดวิธีอันนี้เห็นให้ชัดเห็นให้ถูกเรียกว่าสมาธิเข้าใจให้ถูก เรียว่าสมาสักกปะนี้วิธีมันคือวิธีวิธีทําให้ถูกอะสมารกรมมันจะทําให้มันถูกจังหวะทําให้มันถูกจังหวะเดินจงกลมทําให้ถูกแม้เพราะว่าทําให้มันถูกแบบว่าตามแบบแผนนะทํำให้มันถูกหมายถึงว่าอย่าให้มันเฟล่องอย่าให้มันแช่อทําให้มันถูกไม่ว่าทําขณะท ำ, ทำต้องมีสติตามรู้ สัมพันธ์ยะตามเห็นตามรู้ให้พร้อมให้ทั่วทําให้มันถูกพูดให้ถูกนะพูดกับตัวเองพูดกับตัวเองสอนตัวเองไดนะ้ต้องเป็นอย่างนี้นะต้องสอนตัวเองไม่ใช่คิดออกไปข้างนอกนะแต่การพิ จ, จารณากลับเข้ามาข้างในมาดูตัวเองพิ จ, จารณาตัวเองว่า เ, เราเป็นอย่างไรนะ ปฏิบัตินี่เราเอาอะไรถามตัวเองไปเรื่อยๆปฏิบัติแล้วเข้าใจลไไายใบว่องแล้วปฏิบัติแล้วทําให้เรารู้สึกสบายตัวเดิมหรือแยกสัมมาวาจาสัมมาวาญมพยาพยามให้ถูกพยายามให้ถูกคือพยายามระมัดระวังในสิ่งที่มันไม่ไม่เป็นผู้สนะสิ่งที่มันไม่ดีความนิวรณ์ต่างๆเป็นอภูษณ์ก็พยายามลามันไประวังไม่ให้มันเกิดถ้ามันเกิดเลยแล้วไปไงเกิดแล้วก็ต้องรีบตัดตัดตั ด, ตดออกไป เ ก, เกิดเกิดในส่วนรู้เนื้อรู้ตัวความตื่นตรงเนี่ยต้องทําให้มันชัดเจนเสมอเมื่อมันชัดเจนแล้วก็รักษาระดับไว้นี่เรียกว่าพยายามให้มันพยายามอย่างนี้แต่ว่าถ้าหากว่าเราไม่มีการพิณิพิจาราไม่ได้สดับตรับฟังเมื่อได้เรียนรู้ในสิ่งที่ถูกที่ควรเราก็ทำเหมือนเดิมของเราเบื่อนั่งเซ็งไปหมดไปเป็นชั่วโมงชั่วโมงเราก็เสียดายเวลาแต่ทําไงปรับเปลี่ยนตื่นรู้ให้มัน ดูกับพรีก่กระเป่าอยู่เสมออไม่สริมเสลือไม่นั่งหลับตาไม่นั่งง่วงอย่างี้นะปรับไปปรับมาอย่างเงี้ยมันก็ได้เห็นผลชัดไปเห็นผลไวนะตามที่ทำมาเนี่ยแต่ว่าบางช่วงร่างกายมันไม่พร้อมก็ปรับร่างกายบางคนเป็นโครคภัไข้เจ็บเป็นโรคประจําตัว ก็ต้องหาทางแก้ให้มันดีขึ้นแต่ถ้าหากว่าเราเป็นโรคประจําตัวแล้วมันง่วงง่ายเบื่อง่ายเงาง่ายหลับง่ายงู้นคิดง่ายอะไรนี่มันมีความไม่สมบูรณ์ในตัวของเราเองก็จะมีจุกจิกสอย่างนี้แหละนะงนั้นเวลาเราเดินในทางตรงกลุ่มของเราเนี่ยเดินไปแล้วสำรวจว่าเออมันเพลินไปหรือเปล่ามันเพลินไปก็ปรับ ปรับเดินหน้าถอยหลังปรับเดินช้าเดินเร็วปรับเดินขยับปับเปลี่ยนหามันจะนั่งไปนานๆแต่เดีย๋ยวแล้วก็นั่งเก้าอี้เพราะนั่งเก้าอี้นี่ไม่ค่อยดีเพราะว่ามันเผลงง่ายเผลงแล้วก็แช่อย่างนั้นนะถ้าที่ดีนั้นมีอาสนะปูพื้นปูพื้นเพราะว่านั่งกับพื้นมันสามารถเปลี่ยนได้ไปเรื่อยๆนะ เปลี่ยนเป็นทับเทียงซ้ายทับเทียงขวาเปลี่ยนไปนั่งคุกเขานั่งชันขานั่งทับส้นนั่งคัจฉามาหนึ่งสองสามนั่งเหยียดขานั่งคูกขาได้ทั้งนั้นเลยเปลี่ยนไปแต่เรานั่งท่าเดียวยาวนี่ก็เราขี้เกียจคําว่าขยันไม่ใช่ว่าขยันแบบไม่ไม่ยอมปรับคําว่าขยันคือ ย, ยันปรับขยันเปลี่ยนขยันทําความเข้าใจขยันรู้ ขยันแบบนั้นไม่ใช่นั่งท่าเดียวยืนท่าเดียวทําไปเตืินก็ชั่งมันง่วงก็ชั่งมันอันนี้ก็เลยขี้เกียจทําแบบขี้เกียดขี้เกียจปรับขี้เกียจเปลี่ยนอย่างไรก็อย่างนั้นเพราะปัญหามันเกิดตลอดนั่งตื่นไปสักพักมันก็ชักเมื่อยนั่งเมื่อยไปสักพักมันก็ชักง่วงนั่งง่วงไปเีช้าพักก็อยากหลับนั่งอยากหลับไปเช้าพักมัอนั่ง คิดเนี่เปลี่ยนไปเปลี่ยนหมาอยู่นะแต่ถ้าเราไม่สังเกตไม่ศึกษาไม่ดูแลใกล้ชิดเนี่ยมันก็ไม่มีความเพียรแล้วว่างั้นเถอะไม่ขยันแล้วอันนั้นสัญญาณของตัวนิวรณ์ต่างๆมันจะแสดงตัวก่อนเช่นมันจะม่วงมันก็จะมีการหาวมีการเบลอมีการเคลินตอนนี้เราเริ่มปรับละหรือมัน อัหนักมันหน่วงเราก็เริ่มเมื่ยเริ่มเทียตาเริ่มหนักมันเป็นสัญญาณมังก่อนล่ะสัญญาณบอกเหตุแต่เราก็ายังไม่ปรับอีกเดี๋ยวมันจะมาเดี๋ยวก็มาและไอ้ตัวตัวข่อมันกนะ็มาเพราะนั้นาการตื่นตัวรู้ตัวเป็นวิธีการที่หลวงพ่อเทียนท่านเน้นมากๆแต่ว่าบางบางคนความเข้าใจยังไม่พอเราก็มาลงลึกในรายละเอียดกันให้ชัดว่าองค์ปิงี่นะ แต่เราจะทำถูกต้องหรือไม่ทำแล้วจะขยันแก้หรือไม่ขึ้นอยู่กับเราเราต้องการแบบไห น, นต้องการตื่นรู้แล้วเราต้องการความสงบสบายหรือต้องการปัญญาตื่นรู้มันก็อยู่ที่ความต้องการของเรานะบางทีโยมต้องการแค่ความสงบสบายแค่นี้นไม่ต้องการตื่นรู้อย่างนี้ก็มีนะก็ทำไปแต่ผลออกมามันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะก็เหมือนเดิม นั่งสามสี่ 4, แรงก็ติดที่เดิมติดคอนสงบเวลาทุกขึ้นมาก็ไปนั่งคอนสบนงบอีกทีหนึ่งเวลาไม่สบายขึ้นมาเอาไปนั่งสงบอีกทีหนึง่งก็จะเป็นอยู่อย่างนั้นนะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าสมมติว่าเรามีความเข้มแข็งตั้งใจอยู่กับการตื่นรู้เป็นส่วนใหญ่มีอะไรที่มันไม่ทำให้ตื่นรู้แก้ไขปรับออกปรับออกไม่นานมันจะเข้มแข็ง สติปัญญามันเกิดจากการตื่นรู้ไม่ได้เกิดจากการหลับไหลแช่เพลินสงบไม่ได้เกิดจากอันนั้นมันเกิดจากการตื่นตัวในร่างกายสังเกตเวลานั่งไปซักพักขามเริ่มหนักอะไรใช่ไลักษณะที่เห็นขามันหนักเอวมันหนักแล้วก็ตื่นรู้อย่าไปแช่เ ง, งั้แเราก็ค่อยปรับขยับมันไม่ยากเนี่ยเขากรับเี้ยมนนําไปสู่ความ ความรับรูนะ้ใช่ไหมก็ได้อีกแบบหนึ่งซึ่งเป็นผลให้เลือดลมในร่างกายของเราไอการที่มันหนักเพราะอะไรเพราะว่าเนื้อหนังเส้นเอ็นตรงนั้นมันอ่อนเพรานั่งไปนานน่ะน้ำหนักของเราหลายสิบกิโลเนี่ยมันทับลงไปมันทับลงไปอเส้นเลือดเส้นดมดของเราก็ถูกบีบบีบอั ด, ดตีบตัน มเมื่อเสด็จลงวีปอาจิตบตนันเรือดลมมันก็เดินไปไม่ได้ดิมันก็ต้านก็หนักขึ้นเรื่อยๆเพราะเราขยับรับเหมือนเราเปิดเปิดเปิ ด, ปดน้ำอะเต็มท่อใช่ไหมก็มีอะไรไปทับมันปั๊บนึ่น้ำปลายสายก็แผ่วไอ้ต้นสายก็จะรั่วจะแตกจะขาดละนี่อันนั้นอาการของมันมันมั น, มนเป็นรูปธรรมง่ายๆนะแต่ที่เราสังเกต เท่านั่งถ้าใดท่านึงนานๆมันจะหนักจะน่วงจะทับจะนืดจะเหนียว จ, จะเมื่อยจะเพีย่ยังถ้าเราปรับนิดหน่อยมันก็จะทําให้ร่างกายนี้มีการเปลี่ยนแปลงเซลล์ที่มันกําลังจะตายเพราะถูกกดทับมันก็ตึงขึ้นมาอเลือดลมที่มันตรงนั้นพอ น, น, นานไปนานไปเวลาเราไม่เติมเปลี่ยนมันก็เกิดชาเกิดด้านเกิดทื่อมันก็มีผลต่อต่อความรู้สึกด้วยนะ เพรอันนั้นเองเอามาพยายามศึกษาสังเกตวิจัยวิจัยการกระทําของตัวเองมาตลอดเออเรามีความคิดยังเป็นอยู่อย่างนี้เพราะอะไรมีอะไรมากระทบยังพอใจเพราะอะไรจึงพอใจเวลากระทบอะไรทางไม่ดีเกิดไม่พลอยใจเพราะอะไรไม่พอยใจมีอะไรมากระทบให้สนุกสนานเพราะอะไรรู้สึกก็พยายามที่ที่จะเอาตัวที่มันเกิดขนาดนั้นนะ่ะขึ้นมา วิเคราะห์มาถักมาถกมาถามมาพิจารณาเราไม่ปล่อยเลยตามเลยเนี่ยไม่ปล่อยเลยตามเลยพอถูกพิจารณาถูกตรวจสอบถูกอ่าพิจารณาบ่อยเข้าเบิกเข้ามันเริ่มได้คําตอบเริ่มได้คำตอบร่างกายเหมือนกันนั่งไว้สักพักมันทำไมเบื่อนั่งไปสักพักทําไมง่วงนั่งไว้สักพักทำไมสงบไม่เฉียบไม่ตื่นเลยเพราะอะไรเพราะมันชินเนี่ยมันชิน เขาไม่ยอมแก้ไม่ยอมปรับเพราะมันชินแล้วมันก็เลยติดาใครจะมาปลูกอะไรก็ไม่ติดแล้วทีเนี้ยมันก็ทําให้เราไม่พัฒนาแต่บางคนมาปฏิบัติที่โยมคนหนึ่งอยู่ที่เยอรมันมาเข้าข่อยๆสองครั้งเข้าใจเข้าใจเอาไปสอนได้ไปสอนตั้งกลุ่มขึ้นมาทั้งคนไทยคนเยอรมัน เที่ยวนี้แกตามมาเก็บอรมณอยู่ที่วัดอยู่วัดดอยมาจากฝรั่งเศสคนเยอรมันคนเป็นผู้หญิงนี่เออบางคนอบรมมาห้าปีสิบปียังเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงบางคนอบรมไม่เกินสามครั้งเข้าใจลูกอุปูงสอนได้แนะนําได้แล้วแต่คนมันมันต่างกันตรงนี้ว่าเ อ, อมุางคนขยันปรับขยันเปลี่ยนได้เห็นความเข้าหน้าชัดเจนบางคนอย่างไรก็อย่างนั้นนะไม่ยอมปรับไม่ยอมเปลี่ยนไม่ยอมพิกแปลงไม่ยอมพิจารณา จะเอาสงบเจะเอาสุขท่าเดียวพอสงบสุขไปสักพั้งมันเปรี้ยกง่งแล้วนั่งก็ท่าเดิมก็ไม่ยอมเปลี่ยนเพราะอะไรเพราะเรากดทับเลือดลมเอาไว้นอนเลือดลมมันเดินไม่สะดวกอีซีประสาทแล้วก็อ่อนเลือดลมมันไปเลี้ยงต่ออีซีประสาทอีซีประสาทเราทั้งทั้งหกทางเมื่อเลือดลมมันไม่ไปเลี้ยงปั๊บอีซีเราอ่อนเราก็แช่อยู่กับความไม่สบายอย่างนั้นนุ้มชินน่ะซึ่งเป็นเรื่องที่แก้ยากมาก แต่เว้นแต่คนมีมีแววมีความปฏิพันธ์ไวพิบิกอะแก้ไขปรับปรุง mm. ก็ไหวนะไหวะฉะนั้นเอง mm. ก็เราก็ไม่อยากจะให้ใครมาเสียเวลามาศึกษาวิธีนี้แล้วก็สามปีเจ็ดปียังไม่ไปไหนทำอะไรก็ไม่ได้มันเสียเวลาพระพุทธเจ้าท่านลักประกันหลักสูตรของท่านว่าอย่างช้าที่สุดไม่เกินเจ็ดปี ต้องรู้เรื่องรู้ราวต้องแก้ไขได้อย่างเร็วที่สุดตั้งแต่หนึ่งวันไปถึงหนึ่งนปะีอแล้วแต่มันจะไปนะว่าระยะเนี่ยแล้วแต่ว่าใครแก้ขยานันแก้ไขปรับปรุงในทางที่ถูกต้องก็จะไหวคนไในขี้เกยียจขยนันแก้ไขปรับปรุงแช่ไปเรื่อยๆบางทีอยว่าเจ็ดปีบุงคลบวชมายี่สบามสิบปีก็ยังเหมือนเดิมปฏิบัติมาสิปียีป่ปีก็ยังเหมือนเดิมเพราะไม่ไขยัน เอ้ยฉันก็ขยันทําอยูน่นะแต่คุณขยันทำแต่คุณไม่ขยันปรับไม่ขยันแก้ไม่ขยนันพิจารณาไม่ขยนันะขยนตามรู้อ่ะนะมึงเอาแต่อ่าของเดิมโอเอามาว่ามันคนที่ไวก็ไวจริงคนที่ช้าก็ช้าจริงๆแต่ทุกอย่างมีมีการพัฒนาได้ด้วยการรู้จักปรับเปลี่ยนแก้ไขในส่วนไหนรู้สึกว่ามันไม่คข้าค่าก็หาเหตุมันเอ๊ะทำไมเราเป็นอย่างนี้อยู่นะทําไมเราถึงง่วงไม่หยุดนะนะ แต่บางคนพยายามแก้เท่าไหร่ก็ไม่จกเพราะสุขภาพมีปัญหามันจะเป็นโรคดับโรคใจโรคปอดโรคอะไรต่างๆข้างในแหละเราก็ต้องไปตรวจสอบนะบางคนพยายามที่จะแก้นะแต่มันแก้ไม่จบเพราะว่าอินซีอ่อนเพราะอินซีนี่ถูกกดทับมานานเส้นสายเลือดลมอะไรต่างๆมันตีมันตันมันมันหดเพราะว่าเราไปกดทับมานานๆเหมือนเหมือน ขอน้ำอ่ะพอมันหักปั๊บหนึ่งน้ำมันหยุดไปแล้วนะไม่ชีลุกขึ้นเดินนะไม่ชีไม่ไหวเลยแต่เราั่งฟังอยู่อย่างม่วงเลยนะะพยายามปรับนะอย่าไปยอมง่ายๆนะผ้าคลุมหัวก็ต้องเอาออกนะเพราะมันสบายเกินไปอ่นะต้องปล่อยให้มันมเพราะฉะนั้นร่างกายของเรามันสบายเกินไปมันไม่ดีแล้วมันติดติดสบายแล้วต้องมุ่งอยู่อย่างนั้น แล้วเวลาเราปฏิบัติมานานๆไปนั่งใง่วงให้เพื่อนเห็นเนี่ยมันขายหน้าเจ้าของนะเราต้องตื่นรู้เป็นแบบอย่างในการตื่นรู้โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติมานานๆเนี่ยต้องเป็นแบบอย่างได้อะทีนี้คนมาใหม่ๆเอ๊ะคนนั้นปฏิบัติมาตั้งนานแล้วยังง่วงเงียบๆไม่เห็นว่าจะได้ผลอะไรไอ้คนมาใหม่มันก็เลยเห็นแบบอย่างที่ไม่ดีก็ไม่อยากปฏิบัติฉันเพิ่งมาปฏิบัติฉันจะได้เรื่องอะไรที่เขาปฏิบัติมาตั้งหลายเดือนยังนั่งง่วงเงียบๆอยู่เลย มันเป็นแบบอย่างไม่ดีเพราะฉะนั้นอันี้เรามันต้องเป็นแบบอย่างในการตื่นรู้ที่ดีด้วยกันเสมอนะเพราะฉะนั้นในการนําเสนอหลวงพ่อเนี่ยไม่ไม่ได้เสนอแบบหลับหูหลับตาหลวงพ่อยังดูว่าทุกคนคว่าใครตื่นหรือไม่ตื่นอะตอบสนองหรือไม่ตอบสนองมันจะทําให้เราช่วยกันได้จริงๆรินะแต่ถ้าเรา อ่าแนะนําไปนําเสนอไปมันไม่เวิร์กคือหมเพราะว่าไม่ได้รับการตอบสนองไม่ไรับําที่ถูกต้องเนี่ยไอสิ่งที่พูดไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะอะไรเพราะไม่ได้ทําไม่ได้นําไปปฏิบัติตนั้นเวลาเราไปปฏิบัติคือไม่อยากจะให้ไปทําแบบที่ว่าไม่มีการแก้ไขบางทีเรานั่งปฏิบัติทั้งวันมันก็เลยติดเป็นนิสัยอ่ะติดเป็นนิสัยสงกพอไปสงบนานๆจิตมันอ่อน พอจิตมันอ่อนแล้วมันหลบเวลาอะไรมากระทบมันไม่รับสะกดจิตไม่ให้รับรู้อย่างเดียวจะเอาสงบกลายเป็นสมาธิแบบฤาษีไปเลยนะไม่ไม่ใช่พุทธะแล้วแบบฤาษีเพราะนั้นพวกหนึ่งเขาดึงบอกว่าพวกปฏิบัติภาวนาถือ พ, พวกเสษติททำให้ง่อยเปียเสียจริตไม่มีความแววไวไม่มีความค่องตัวมันมีความตื่นรู้ ข้พอพอไปติดนะดังนั้นเองเขาระบอ่อนปัญญาเสพติดเพรางั้นพวกบางพวกเขาก็เลยไม่เอากรรมาฐานเลยเออจะเห็นนักปฏิบัติส่วนใหญ่นั่งแล้ง่วงเหงาสลับสับประงกไม่เห็นการตื่นรู้ไม่เห็นความแวววายไม่เห็นความแจ่มใสไม่เห็นความประตือรือ ร, ร้นมีแต่ซึมเศอ่าขี้โรกไปเรื่อยๆอันนี้มันก็เลยอ่าผิดเป้าหมายของการปฏิบัติ แล้วก็ผู้นําคืออาจารย์กรรมฐานบางท่านก็เกรงใจไม่กล้าว่าตรงๆกลัวโยมจะเสียศรัทธากลัวโยมจะเสียใจมันไม่ได้นะพระผู้นําคุณสอนเนี่ยต้องรับผิดชอบว่าเขามาเขาเสียเวลามามาเพื่อให้เราได้แก้ไขเพื่อให้เราได้ฝึกให้ตื่นมาเพื่อแนะนํำให้ทางที่ถูกมาแล้วไม่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง มันก็เสียเวลาทั้งเราทั้งเขาเนะ่ี่ยเพราะฉะนั้นในในส่วนนี้เอามาก็เลยว่าจะบอกให้นักปฏิบัติก่อนว่าแต่เวลาหลวงพ่อพูดเนี่ยต้องอคุณต้องตั้งใจฟังแล้วกูณจะ ง, ง่ว ง, งไม่ได้นะง่วงบงทีหลวงพ่อไล่ออกจากวงเลยนะถ้า ง, ง่ว ง, งไม่ไม่เลิกนี่นะถอาคุณไปเดินข้างนอกสภาพ ก, ก็เลยวกันอย่ามานั่งเ n o เรานี้มึนบนะับอย่งเงี้ยเขาก็อฝ่ายบางคนก็เอ่อถ้าเราเราจะทําเอาสิ่งที่ดีอ่ะเอาสิ่งที่ดีที่สุด แต่เมื่อเราค่อยเคาะค่อยเกาค่อยเต า, ค, เาค่อยแต่งไอสิ่งที่มันไม่เข้าเท่าออไปเราก็าต้องฟังต้องแก้ตามนะเพื่อจะได้ประโยชน์เราจะไม่เสียเวลาเพราะว่าถ้าเราตื่นโต้ตื่นรู้แล้วเนี่ยมันเป็นประโยชน์มหาศาลจริงๆนะเพราะว่ามันเกิดความกระหาญความบาดหารความเข้มแข็งแม้แต่โรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันจะไม่ค่อยเป็นนะมันจะไมค่อยเป็น มาตืู่มาตั้งแต่ปี29ปี30จนถึงปัจจุบันในการที่จะมาล้มหมอนนอนเสือไปเรื่องไปนี่ไม่มีเพราอะไรพ่อเรามาแก้ไขไอ้กิเลสมันละเอียดมันลึกขนาดไหนเรายังจัดการมันได้แล้วร่างกายเป็นเรื่องหยาบหยาเป็นเรื่องง่ายๆทําไมเราจัดการไม่ได้แล้วกิเลสทนายปรานมันมันละเอียดมันลึกแค่ไหนนะถ้าเราก็ยังจะไปจัดการกับมันแต่ร่างกายที่เห็นเห็นอยู่ การเก็บการป่วยการสบายไม่สบายเห็นเห็นอยู่มันง่ายแต่การที่จะแก่เรกลับไม่แกแล้วกิเลสมันลึกมันซึ้งมันละเอียดัวนั้นมันจะไปแก้ไขมันได้งลยนะตัวนี้เราต้องใช้ความอดทนนะแล้วก็ใช้สติปัญญาในการแก้ไขทุกครั้งที่เราเราฝึกปฏิบัตนะิโดยเฉพาะไม่ชีบพระที่อยู่กับวัฒนานถ้าไม่ขยันแก้จุดนี้นะ ก็เรียกว่าการเป็นคนอ่อนแอไปเลยแหละ mm. การเป็นคนอ่อนแอจะไปไหนก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นในวิธีการของนตมาก็เลยว่าพยายามปลูกเราแก้ไขกันตลอดคนไหนรับได้ก็รับคนไหนรับไม่ได้ก็ห น, นี mm. แต่คนอยู่ได้เนี่ยก็เลือกเข้ม แ, แข็งทุกคนนะคือยอมให้แกนะ้แล้วก็แก้ตามก็กลับได้ทุกคนเพราะว่าเวลาเราไปปฏิบัติเนี่ยครูบาอาจารย์ไม่ได้ไปนั่งแก้ mm. ไปไม้ปนั่งดูแลเรานะเราทำอยู่คนเดียวแต่ถ้าหากว่าเราสามารถปรับแก้ด้วยตัวเองแก้ไขด้วยตัวเองเนี่ยมันก็เป็นความก้าวหน้าความพัฒนาของเราเองครูบาอาจารย์ไม่ได้มีส่วนอะไรด้วยแต่ด้วยที่ประสบการณ์ที่เรามาเนี่ยเออมันผิดอย่างนี้มันคลาดอย่างนี้เวลาผ่านมามันไม่พัฒนาอย่างนี้เนี่ยเราก็มาบอกกันเออถ้าเราทำอย่างนี้มัน ไม่ดีอย่างนี้นะทำนี้มันช้าทำนี้มันเร็วก็เอามาบอกกันนะอันนี้คือคือเป้าหมายที่เรานาเสนอนะเพราะรู้ว่าทุกคนนะมีความปรารถนาดีมีความตั้งใจดีไม่อยากจะมีทุกนะไม่อยากจะมีความทุกข์ทรมานอันเกิดจากทุกข์ของสังขารกายสังขารจิตเนี่ยเราก็ถึงสละเวลา ตละความสะดสบายจากบ้านของเรานี้มาอยู่ที่วัดที่สํานักกวหวังเพื่อจะได้พบตัวอาจารย์หวังว่าจะได้ต้นกระดามิตรคอยปรับช่วยเราปรับแก้ในส่วนที่เรายังขาดในส่วนที่เรายังทําไม่ได้เราก็มีความต้องการอย่างนั้นเราก็ถึงมาหากันเมื่อมาแล้วเวลาเราบอกเราแก้เราก็ต้องปรับแก้จนกระทั่งว่าเห็นอา น, นิสงส์เห็นคุณประโยชน์ จากการที่เราได้ปรับแก้เรื่อยๆเนี่ยจนเราเข้มแข็งขึ้นมานะมีความตื่นยุ่มีสติปัญญาเฉียบคมนะแล้วก็ไวจะสามารถแก้ปัญหาทั้งกายทั้งใจได้เนี่ยมันก็ได้รับประโยชน์ในส่วนตัวของเราเองต่อไปเราไปเห็นคนอื่นที่เขามีปัญหาแบบเรามาก่อนเนี่ยเราก็แก้เขาได้ถูกเพราะว่าเราเคยเป็นมาก่อนเราเคย อทุกมาก่อนถ้ารู้จักวิธีแก้ปัญหาของตัวเองคนอื่นก็ก็ไม่ยากอ่ะเพราะเราธาตุขันนั่นเดียวกันธาตุสี่ขันห้า 4, 5, เหมือนกันถ้าเราแก้ธาตุสี่ขันห้า 4, 5, ของเราได้คนอื่นก็ไม่ยากอันเดียวกันแต่เราธาตุแก้ธาตุสี่ขันห้า 4, 5, เราไม่ได้เราพยายามแก้คนอื่นก็แก้ไม่ได้เพราะเราไม่รู้รายละเอียดเพราะเราไม่ได้สืบผลไม่ได้แก้ไขไม่ได้ปรับปรุงน อันนั้นต้องต้องพยายาม อ, อย่าอย่าไปเสียเวลาเอามาก็เสียดายหลายคนที่มีศรัทธามีความตั้งใจสูงมากที่จะปฏิบัติแต่ว่าไม่ได้รับการแก้ไขในทางที่ถูกต้องก็ถือว่าบุญกุศลเขาไม่พอนแต่คนจริงบางทีเขาไม่มีโอกาสได้ได้บพบวิธีที่ดีที่จะเป็นอยู่อย่างนั้น นะพออายุพันธสามารถเข้ามากเข้ากิเลสมั น, ม, นมันไม่ออกมันต้านมันก็จายเป็นว่าเข้าใจไปอีกทางหนึง่งนเะ น, นี่ยพอดีถ้าหากว่าเราแก้ไข ด, ดีๆแบบนี้ก็ง่ายขึ้นนะเพราะนั้นในช่วงต่อไปข้างหน้าเนี่ยภัยที่บตดมันเยอะโรคภัยไข้เก็บมันเยอะถ้าเราไม่พยายามปรับ ไม่พยายามแก้ไขให้มันเท่าทันนี่นะเราก็จะไม่สบายปนฏะิบัติเรื่องความเปลี่ยนแปลงเรื่องโลกไฟไฟเ่เจ็ยเรื่องดินฟ้าอากาศเรื่องบมลพิษของอาหารของน้ําเรื่องสิ่งแวดล้อมที่มันสับสนวุ่นวายเนี่ยมันรอเราอยู่ข้างหน้าถ้าหน้าวันนี้เรามาปฏิบัติแล้วความเข้มแข็งของเราไม่พอเนี่ยมันจะไปจ่อสู้กับสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ไม่ได้ นะรเราก็จะมานั่งสงสัยตัวเองว่าเอ๊ะฉันก็ปฏิบัติทำฉันก็ทำภาวนาทำไมจึงเป็นอย่างนี้เราก็สงสัยแล้วว่าปฏิบัติไม่ได้ผลเพราะเพราะเราไม่ปรับไม่แก้ไม่พิจารณาให้มันถูกให้มันถูกทางนั้นะในช่วงของภาคปฏิบัติเราเสียเวลามาห้าวันสิบวันเนี่ยเราต้องต้องเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเอง เราเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญ น, นะแต่มันเกิดขึ้นด้วยการที่เราแก้ไขมันปรับมันตลอดเราเราอย่าไปยอมจํานวนในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ได้ปรับทำความเข้ใจก็ลองเอาไปใช้นะเวลาไปนั่งปฏิบัติอย่างที่หลวงพ่อพาทำนี่แหละเดินก็หลายๆแบบนั่งก็หลายอย่างถ้เาเรา n ั่งแค่ดานเราก็สามารถนั่งแบบนี้ก็ได้ นั่งแบบนีไปเรื่อยๆเขาจะเห็นเพราะนั้นเรามีสิทธิ์เพิงเยอะแยะนะั่งทับเท้าซ้ายทับเท้าขวานั่งคุกเขานั่งชันเขานั่งทับส้นนั่งพัฒมาต้นหนึ่งพัมาสองคตมาสามนั่งเหยียดขานั่งเก้าอี้เรามีเรามีท้านั่งใช้ทั้งเยอะแยะแต่เราก็หมุนอยู่แค่ท่าเดียวนี่เขเรียกว่ามีเงินใช้ตั้งเยอะแต่ใช้มันแค่บาทเดียวอย่างนี้นะ ไอ้ส่วนที่เหลือมันก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้ประโยชน์ตลวมันนั้นก็ลองไปใช้ดูนะสิ่งที่นำเสนอมาจะต้อให้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติเพราะนั้นในช่วงเช้านี่นะ